นี่ย้อนมาดูข้อความในอัตกถาเนี่ยนะรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าตรวจ ด, ดูสัตว์โลกทั้งหลายบอกว่าสัตว์โลกเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็น9กลุ่มด้วยกันเนี่ยนะตรงนี้พระพุทธเจ้าแบ่งสัตว์โลกออกมาเป็น9ก้ากลุ่มคือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกิเลสในดวงตาน้อยกลุ่มที่สองกิเลสในดวงตามากกลุ่มที่สอินทรีย์แก่กล้ากลุ่มที่4อินทรีย์อ่อนกลุ่มที่ห้า อาการดีกลุ่มที่6อาการไม่ดีกลุ่มที่7จสอนรู้ได้ง่ายกลุ่มที่8ปสอนยากกลุ่มที่9เห็นโทษในวัตตะเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆอย่างนี้อธิบายกลุ่มแรกก่อนเนี่ยนะคนมีกิเลสมากอะวัดกันตรงไห น, นก็บอกว่าคนมีศรัทธาเรียกว่ากิเลสน้อยไม่มีศรัทธากิเลสหนาคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะมันทางทางอื่นจะเก่งขนาดไหนก็ช่างเถอะก็เรียกว่าคนกิเลสหนาเหมือนกัน ดูจากอะไรก็ดูคนไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อกรรมเรื่องของกรรมมันจะรู้อะไรเยอะแยะก็เรียกว่าคนกิเลสหนาเนี่ยนะคนกิเลสหนาวัดกันที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาคนเกียจคร้านในการเจริญกุศลเรียกว่าคนกิเลสหนาคนปราบการเจริญกุศลพวกนี้กิเลสบางคนที่พวกหลงลืมสติเนี่ยนะไม่มีสติสัมปชัญญะพวกนี้เรียกว่ากิเลสหนาพวกมีสติสัมปชัญญะเรียกว่ากิเลส เบาบางผู้มีจิตตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิได้ไวเรียกว่ามีกิเลสเบาบางพวกฟุ้งซ่านเรียกว่าพวกกิเลสหนาเนี่ยนะถ้าหากว่ามีปัญญาเข้าใจอะไรง่ายเรียกว่ามีปัญญาดีถ้าไม่มีปัญญาจะเห็นอริยสัจเลยเรียกว่าพวกอะไรเรียกว่าถ้าไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจเรียกกิเลสหนาถ้ามีปัญญาเห็นอริยสัจพวกนี้เรียกว่ากิเลสเบาบางของเรากลุ่มไหนควรจะหนาหรือควรจะบางก็มาเช็คตรงนี้ว่าหนึ่งถ้ามีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา โอ้ยบาวางแน่นอนเพราะมีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าศรัทธาก่อหม่มีความเพียรก่อใหม่มีสติก็หลงลืมใจก็ฟุ้งซ่านปัญญาก็เนื้อศรัศทธาเนึกทุกข์ก็ไปเรื่องอื่นไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นตนน้นถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าพอสมควรเลยแหละส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าพวกที่ที่อะไอินทรีย์แก่กล้าก็คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเรียกว่ามีอินทรีย์ แก่กล้าถ้าไม่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาพวกนี้เรียกว่าอินทรีย์อ่อนก็เช็คดูอินทรีย์นะบางพวกมีอาการดีคนมีศรัทธานี่อาการดีนะก็เรียกว่าอาการเขาดีอยู่ถ้าเป็นอาการดีก็เคยเค ย, เคยตรวจ ด, ดูคนไข้เห็นไหมอาการเขายังดีหรือไม่ค่อยดีเนี่ยอาการทางใจก็เหมือนกันเนี่ยนะบอกว่าถ้ามีศรัทธาเรียกาอาการดีถ้าไม่มีศรัทธาบอกาอาการตอนนี้เป็นหนักมากเลยนะ ก็นึกออกแล้วเวลาไปเยี่ยมญาติจะได้เข้าใจถูกเออตอนนี้ญาติเราอาการหนักมากนะเพราะไม่มีศรัทธาเรียกว่าอาการหนักถ้ามีศรัทธาอาการยังดีอยู่ใช่ไหมถ้ามีวิรยิยะอาการดีถ้าไม่มีวิรยิยะอาการไม่ดีแล้วถ้ามีสติอาการดีถ้าไม่มีสติอาการไม่ค่อยดีแล้วถ้าฟุ้งซ่านอาการไม่ค่อยดีถ้าไ ม, ม่ฟุ้งซ่านอาการดีถ้ามีปัญญาออาการดีถ้าปัญญาไม่มี แสดงว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยสภาวะชักไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยนะก็เช็คกันตรวจสอบกันที่อาเรียกว่าตรวจอาการเนี่ยนะทางโลกเขาตรวจดูอาการเนี่ยถ้าปวดมากแสดงว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมถ้าปวดน้อยๆเรียกว่าอาการดีฉันใดทางทำก็ตรวจที่อินรี่ห้าพวกเราอาการดีหรือไม่ค่อยดีเนี่ยนะ เช็คตัวเองเธอตอนนี้หมอหมออะไรนะเป็นหมอเองอะไรเองแล้วกันเนี่ยตรวจตัวเองว่าอาการดีหรืออาการไม่ดีเพราะว่าเราอาการดีแล้วคนอื่นมาบอกว่าเราอาการไม่ดีก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราอาการไม่ดีแล้วคนอื่นมาบอกว่าเราดีดีมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจดูอาการตัวเองตามเป็นจริงเนี่ยนะว่าอาการของเราเนี่ยเป็นอย่างไรตรวจจากตรงไหนอินรีห้าเนี่ยนะจากอินรีห้า พวกสอนให้รู้ง่ายกับพวกสอนอยากพวกมีศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสอนง mmm. ่ายพวกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยก็สอนยากเนี่ยนะพวกที่เห็นภายในวัตตะคือพวกที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพวกเห็นภายในวัตตะถ้าผู้ไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพวกนี้เรียกว่าพวกไม่เห็นภายในวัตตะเนี่ยนะก็ พระพุทธเจ้าก็แบ่งสัตว์ออกมาเป็น10ส่วนจริงๆถ้าอินตริยะโปรปริยตญาเนี่ยความยิง่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ50เรียกว่าอินทริยะโปรปริยัติญาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบุญก็คงได้เรียนโน้นในปฏิสัมพิธามาคเนี่ยนะเรียกว่าอินตริยะโปรปริยัติญาแยกแยะความยิง่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการ50เนี่ยนะ บางพวกเห็นภายเห็นโลกโดยความเปลี่ยนภายพวกนี้เกลียดวั ต, ตะเลยเนี่ยนะเห็นโทษของวั ต, ตะเห็นโทษในวั ต, ตะเห็นโทษยังไง เห็นโทษในโลกคือโลกคือสัตว์ทั้งปวงนำรงอยู่ด้วยอาหารเห็นโทษในนามรูปเห็นโทษในเวทนา3เห็นโทษในอาหาร4เห็นโทษในอุปาทานขันห้าเห็นโทษในตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นโทษในปฏิสนธิวิญญาณทั้ง7เห็นโทษในโลกธรรม8เห็นโทษในสัตวาวาส9เห็นโทษในอายตนะสิบเห็นโทษในอายตนะ12เห็นโทษในท่าสิบแพวกนี้เรียกว่าเห็นภายในวัตตะอย่างแรงกล้าเหมือนอะไรพวกนี้เห็นโทษในวัตตะเหมือน เพชรจะคาดเงื้อดาบจะฟาดฟันเนี่ยหนะูกลัวแล้วเกินเลยนะเหมือนกับถือดาบมาฟาดฟันเนี่ยแต่เขาก็จริ ง, งนะถูกต้องเพราะโลกแปลว่าสลายศูนย์สลายแตกทาลายอ่ะนะมันโลกหนึ่งสัง ส, ส, ส, ส, สัตว์ทั้งหลายที่ดํารงอยู่ด้วยอาหารเนี่ยนะอันนี้สลายเป็นไหมสลายนามรูปก็เป็นสิ่งที่ต้องสลายเวทนาสามก็สลายสิ่งที่ดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่ก็สลายขันห้าก็ สลายอายตนะภายใน6ตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็สลายปฏิสนธิจิตถ้ามันเกิดที่ไหนมันก็สลา ย, ยนะโลกธรรม8ยั่งยืนไหมโลกธรรม ท, ทั้งหลายก็แตกสลายสตาวาด9ภูมิเป็นที่อยู่ของศาตร์ทั้งหลายก็แตกสลายแม้กระทั่งอายตนะ12เนี่ยนะตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่แตกสลายท่า 18, อาศัยตากับรูปเกิดจากขวิญ ญ, ญาณเป็นต้นแต่ละทวาร สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ต้องสลายบางพวกเนี่ยนะเพลิดเพลินห ล, ลงไหลมัวเมา ม, มีความสุขกับการชื่นชมสิ่งเหล่านี้มากบางพวกบอกนี่อสสารพิษชัดๆนี่มันถือดาบจะมาฆ่าเรานะเนี่ยนะพอลืมตา ม, มองเห็นตั๊บทวารตาเหมือนฆ่าเหมือนกําลังจะถูกฆ่าทวารหูทวารจมูกทุกอย่างเนี่ยนะพวกนี้พอที่จะตรัสรู้ได้ก็มาเช็คดูว่าพอบรรลุได้หรือไม่บรรลุได้ก็ตรวจดูจากอินรีห้า นะโดยอาการ50ดังที่กล่าวไปพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับดอกอุบลเนี่ยนะในข้อหน้า452ย่อหน้าข้างล่างเนี่ยนะกับ453บอกว่าเปรียบเหมือนดอกบัวดอกอุบลดอกอุบลก็ดอกบัวเนี่ยนะดอกบัวเราใดขึ้นพ้นน้ำรออยู่อ่ะ น, นะดอกบางดอกก็คอยรับสัมผัสแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันวันนี้นี่แหละ ส่วนบางดอกก็ตั้งอยู่เสมอน้ำก็จะบานในวันพรุ่งนี้พวกบัวปริ่มน้ำบานได้พรุ่งนี้พวกบัวที่อยู่กลางน้ำอ่ะพวกนี้ก็จะบานในวันที่สามส่วนบอกบัวที่อยู่ในสระเป็นต้นอ่ะนะที่ยังอยู่ลึกๆพวกนั้นนะ่ะที่เรียกว่าบัวใต้น้ำเนี่ยก็จะไม่บานโดยมากก็เป็นอาหารของปลาและเต่าเนี่ยนะปลาและเต่าเอาไปเคี้ยวกินหมดชันใด บุคคลในโลกนี้มีอยู่สี่จำพวกคือหนึ่งอุกติตันยูสองวิปัญจิตันยู 3. านัยยะสี่ปะทะประารมะชั้นนั้นเหมือนกันมาดูว่าของพวกเรานี้เป็นกลุ่มไหนนะอุกติตันยูปั๊บฟังทรรมจบบรรลุเลยเช่นพระัญญาโกนทัญญะฟังทธรรมจักบรรลุเลยของเราสวดธรรมจักกี่รอบลยะเยอะแยะเลยนะไม่ใช่แล้วใช่ไหสอบตกไปตั้งแต่วันแรกกันนะ ไม่ใช่อุคติตันยูแน่นอนเนี่ยนะสูตรแล้วสูดเล่าสูตรแล้วสูดเล่าก็ไม่บรรลุสักทีอันนี้อุคติตันยูไม่ใช่แตพวกอุคติตันยูเช่นภาษารีบุตรพระโมกขลานะพระพร ะ, พระที่ฟังทำครั้งเดียวแล้วบรรลุเลยนะยกแต่หัวข้อเนี่ยนะมักแปดคืออะไรพอพูดมักแปดจบปฏิบัติตามบรรลุแล้วเนี่ยนะพวกนี้เราเรียกว่าอุคติตัญยู ส่วนพวกวิปัญจิตันยูนี้ต้องมาจำแนกอีกทีนะสมมติว่าพวกที่บอกว่ามร์แปคืออะไรเนี่ยแล้วไล่หนึ่งสองี่ห้าฟังจบแล้วปฏิบัติตามมรรุเลยพวกนี้เรียกว่าอุคติตันยูพวกวิปัญจิล่ะสัมมาทิฏฐิเป็นฉนยัยความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคาขามิมีปฏิปทาแล้วมาจำแนกทุกๆุกองมร์อนะันนแล้วบรรุได้พวกนี้เรียกว่าวิปัญจิตันยูกขยายเยอะเลย ถ้าพวกนัยยะล่ะทั้งโยนิโส ม, มนัสิการก็แล้วท่องก็แล้วถามก็แล้วฟังก็แล้วเรียกว่าอยู่ใกล้กับกาลยานมิตรหาอาจารย์อย่างดีได้ก็แล้วพอบรรลุได้เมื่อไรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่พอบรรลุได้ห้าสิบปีหกสิบปีกว่ากันไปพวกนี้เรียกว่านัยยะนัยยะแปลว่าพอรู้เรื่องอนะพวกพอรู้แต่แมันต้องให้เวลาเข้าหน่อยนะว่ า, างั้นนะ คือคืออย่างอย่างว่านักเรียนในห้องบางคนนี่ฟังปั๊บเข้าใจอธิบายได้ทันทีบางพวกนี่มันต้องขยายหน่อยเออพอประพิมพ์ประพลายบ้างบางพวกฟังมาตั้งสามปีแนละ้วอ๋อเพิ่งรู้ว่าที่เขาพูดเนี่ยเป็นอะไรเขาบอกว่ายมเขายังชั่วนบางเรื่องนะเขามาเพิ่งมาเข้าใจไม่นานนี่แหละ ไม่ต้องแปลกใจหรอกเขาบอกบางอย่างโอ้มัน10ปีเลยหรอเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าเราเลิกก่อน10ปีเราก็ไม่มีโอกาสเข้าใจนะแสดงว่าถ้าเราศึกษาต่ออีก30มสอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าจนกว่าจะตายคงเข้าใจอะไรอีกเยอะเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งเรียบจบเลยนะเรียนต่อไปอีกแล้วกันเนี่ยนะก็กล่อมๆตัวเองไว้อย่าเพิ่งรีบจบนะเนี่ยนะเรียนต่อไปเนี่ยนะแสดงว่าเนี่ยถ้าเราต้องเข้าใจเพิ่มอีกแน่นอนเนี่ยนะแต่บางอย่างยังไม่เข้าใจก็เอาไว้ก่อนเนี่ยนะอันไหนพอเข้าใจได้ก็เข้าใจไปก่อน พวกพอจะเข้าใจได้โดยเฉพาะระดับสูงพอจะบรรลุได้เนี่ยพวกนี้ก็จ ะ, ะพวกนี้เรียกว่านัยยะบุคคลส่วนฟังก็เยอะเรียนก็มากจําก็มากสอนก็สอนไม่บรรลุเลยสอนคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ไม่บรรลุพวกนี้ปท ะ, ะป a r a ทั้งหมดเนี่ยพวกคณาจารย์มือชื่อเสียงเนี่ยอย่าไปคิดว่าแม้ระดับสูงบางทีกับกลุ่มปท ะ, ะปรมะพวกนี้มีบทเป็นอย่างยิ่งหมาควาว่ามันรู้แต่คำอะนะ แต่มันมันเขาเรียกว่าเข้าถึงแต่คําแต่ไม่เข้าถึงอริยสัจ เ, นะเข้าถึงแต่คําจําได้ว่าทุกมีเท่าไหร่ทุกเป็นฉไนอธิบายได้แจกแจงรายละเอียดได้แต่มันไม่เห็นจริงๆอะ่ะเพราะถ้าเห็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่ อ, อ, อหน่ายย่อมคลายกําหนัดแต่เห็นแต่ไม่เคยคิดจะเบื่อหน่ายเลยเนี่ยนะไม่เคยคิดจะเบื่อหน่ายไม่น้อมไปเพื่อคลายกําหนัดไม่ได้น้อมไปเพื่อรู้ยิ่งเพราะฉะนั้นพวกนี้ปฐพะะปรมมีบทเป็นอย่างยิ่งได้เรียนแต่คํา แต่ก็ดีนะพวกนี้อย่างวันก่อนใช่ไหมอา น, นิสงฆ์ห้าสี่ประการของธรรมะที่เรียนไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะของผู้ที่เรียนไว้ดีแล้วอา น, นิสงฆ์สี่ประการมีอะไรบ้างหนึ่งโสตานุกตะสูดเนี่ยนะมีอะไรบ้างหนึง่งชาตินี้ยังไงก็ไม่บรรลุพวกนี้เน้นๆเกิดชาติหน้าเนี่นะไปได้อาหารที่บ้างได้รูปร่างที่บ้างได้ความสุขที่บ้างพวกนี้บรรลุเลยนี่ข้อที่หนึ่งไงไโสตานุขตะสูตรที่สวดเมื่อวานะอย่างที่สองเอ๊ะ ได้อุอุตุสปายะเป็นต้นไม่บรรลุอีกต้องมีคนที่เขาอะไรนะพระพิสุขึ้นไปแสดงธรรมในสวรรค์ฟังแล้วบรรลุเลยกลุ่มที่สมบอกอย่างนั้นก็ไม่บรรลุต้องเทพประบุตรแสดงธรรมหรือพรมลงมาแสดงธรรมก็บรรลุกลุ่มที่สี่ต้องให้แบบเพื่อนสกิด เ, เมื่อก่อนเพื่อนท่านเรียนมาเยอะนะทําไมตอนนี้เป็นอย่างไงเนี่ยนะของเราเจอกันที่สวรรค์สกิดกันบ้างนะือใครสกิดกันบ้างก็ได้เนี่ยนะ เอาไม่แน่นะเขบอกว่าพูดแต่เป็นพระเนี่ยว่าเป็นแบบแม้นึกว่าเก่งอะนที่ไหนได้สมัยพุทธกาลนี่เขามีพระโคปะเทศพระบุตรอดีตเนี่ยเขาเป็นนางฟ้าเออเป็นเป็นโกลยะที่เออเป็นสักยะธีดาเนี่ยนะเป็นเป็นบุตรของสักยะเชื้อพระวงของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเขาก็อุปถักคพระพิสุประมาณสี่รูปเป็นปกติสี่รูปนี้เป็นปุตุชนหมดเลยแล้วเป็นสี่รูปที่สอนด้วยแล้วมารับอาหารบินทบาทที่บ้านโยมคนนี้ด้วย เสร็จแล้วโยมคนนี้เป็นพระสกะทาคามีผู้หญิงเนี่ยเป็นพระสกะทาคามีแต่พระที่นางอุปถัมภ์เนี่ยปุตชนทั้งสี่รูปเสร็จแล้วเท พ, เทพผู้หญิงคนนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเพราะว่าเบื่อความเป็นผู้หญิงตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรก็ได้เป็นเทพบุตรลูกชายของเท้าสักกะเนี่ยนะเป็นโอรสเท้าสักกะเลยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะเขากำลังมีงานเลยใหญ่มากเลยก็มีเทพบุะบุนักร้องสี่องค์เนี่ยนะ มาเลยนะร้องรําทําเพลงโอ้นักร้องสีองค์เนี่ยนะเป็นคนที่รัศมีงามมากเลยเทพประบุษสีองค์โคปะกะเทพบุษคนนี้ก็ดูเอ๊ะเทพเทวเทวดาสีองค์เนี่ยทำไมรัศมีดีกว่าคนอื่นไม่ไม่ปกตินะเทวดาสีองค์ก็ตรวจดูอ้าวสี่องค์นี้ก็คือพระพิสูจน์ที่ไปรับอาหารที่บ้านทุกวันนี่ยอ้าวทาไมเป็นอย่างนี้ไปได้มาเป็นเทวดานักร้องเนี่ยนะเป็นเทวดานักร้องรําทําเพลงกั่นั่นแหละก็เลยไปเตือน เอาท่านเมื่อก่อนท่านก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ดูฉันเนี่ยเป็นคารวาสฉันไม่ได้บวชนี่ฉันยังเป็นผู้ชายเป็นเท้าสักอ่ะเป็นอะไรเป็นลูกของเท้าสักะแต่พวกเธอพวกท่านเนี่ยเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยนะมาเป็นเทวดานักร้องนี่มันเอาหน้าไปไว้ไหนกันเนี่ยนะอีกองหนึ่งตกใจมากเลยเจริญวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีเลยเนี่ยนะไปเกิดในพรหมโลกอีก3องค์บอกฉันเป็นนักร้องต่อไปกันละกันเนี่ยนะก็สงสัยร้องเพลงถึงทุกวันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะกำลังไปฟังดูเอากันละกันนะท่านร้องเพราะหรือเปล่า นันยังชวนไปฟังอีกไม่ใช่นะ <c oughs> ก็ต้องไปศึกษาเออเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้ววัตตนนะมันก็ไม่มีใครแน่กับใครจริงรอกใช่ไหมก็แล้วใครมีบุญคนนั้นก็ตรัสรู้ก่อนไม่ได้แปลว่าคนสอนต้องบรรลุกอ่อนคนฟังต้องบรรลุทีหลังเป็นต้นไม่ใช่เลยเนะมันก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแล้วแต่อินทรีย์บางทีนะสมัยก่อนๆนู่นยิ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระโพธิละเนี่ยลูกศิษย์ของท่านบรรลุกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะอาจารย์ยังไม่บรรลุซากทีเนี่ยนะจนโน่นพระพุทธเจ้าตําเหน่งมันไหลจึงได้ บันลุแต่บางทีโดยมากก็อาจารย์ก็บรรลุก่อนใช่ไหมโดยมากนะโดยมากจริงๆก็อาจารย์บรรลุก่อนแต่ก็มีกลุ่มน้อยที่เรียกว่าก็ไม่รู้ใครก่อนใครล่ะแต่ที่สําคัญจะอะไรก็ช่างเถอะให้มันรู้อริยศาสตร์ก็ถือว่าใช้ได้แต่สรุปว่าผู้ที่ไม่บรรลุได้ในชาตินี้เรียกว่าปะทะปป a r หมดจะอยู่ระดับไหนก็ช่างเถอะจะเป็นอาจารย์ใหญ่โตหรือเป็นคนไม่มีชื่อเสียงก็ตาม จะเด่นจะดังจะเก่งกาดขนาดไหนก็ช่างเถอถ้าไม่บรรลุชาตินี้เรียกว่าพวกปะทะปรมะเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าดูหมิ่นคนอื่นว่าพวกบวใต้น้ำก็แล้วกันเนี่ยเพราะบางทีอาจจะใช่ใครที่ไหนนะนะส่องกระจกก็เห็นเลยบอกใช่เลยนี่แหละว่างั้นะนะก็บอกว่าทีนี้พระพุทธเจ้าเวลาตรวจดูสัตว์ทั้งหลายเนะีนะ่ยอ่ก็ย้อนกลับมานิดนึงว่าแต่พวกปะทะปรมเนี่ยนะพวกนี้ จะเป็นบุญวาสนาแล้วพวกนี้จะไปเป็นอุคติตันยูในยุคหน้านะนะผู้ที่เรียนธรรมะศึกษาไว้ดีเนี่ยพวกนี้จะเท่ากับสั่งสมบุญวาสนาต่อไปพวกนี้จะเ ป, เ, เป็นผู้ที่มีวาสนาต่อไปในชาติต่ อ, ต, อต่อไปเขาจะบรรลุได้อย่างเร็วพลันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเรียนธรรมะไว้อย่างดีแล้วเนี่ยนะทีนี้สาหรับพระพุทธเจ้าเนี่ย พระองค์เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นมีอุปติตันยูก็มีวิปัญจิตันยูก็มีในยะบุคคลก็มีปธาปรมะบุคคลก็มีก็มาแบ่งออกเป็น2พวกแบ่งสรรพสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะใช้สรรพันยุตยาเนี่ยคาดเลยแบ่งเป็นสองพวกพวกที่พับพาพบุคคลกับอาพัพพาพบุคคลพวกอาพับนะพวกอาภัพกับพวกไม่อาภัพพวกไม่อาภัพบรรลุได้พวกอาภัพชาตินั้นยังไงก็ยังไม่บรรลุก็พวกปธาปรมะนั่นแหละ ที่นี้พวกอาภัพเนี่ยดูจากอะไรก็มีา ม, ามีกรรมมาวักิเลสาวนวิปากาวนเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาอันนั้นไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะยั่งลงสู่อริยมรรคได้พวกนี้เรียกว่าพวกอาภัพเนี่ยนะพวกมีกรรมเป็นเครื่องกั้นวิบากเป็นเครื่องกั้นกิเลสเป็นเครื่องกั้นนั้นแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมเป็นเครื่องกั้นไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธาที่จะพอบรรลุมรรคผลได้นีเรียกว่าพวกอาภัพ ส่วนพวกไม่อภัพก็หมายค่าว่าไม่มีอันตรายะอะไรอันตรายะธรรมไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่มีกิเลสไม่มีอะไรเป็นเครื่องกางกั้นที่จะให้เขาบรรลุมรรคผลพวกนี้เรียกว่าพวกพับภาพบุคคลพวกพอจะบรรลุได้ทีนี้พวกบรรลุได้ก็แบ่งออกเป็นหกจริตแบ่งเป็นพวกราคะจริตแบ่งพวกเป็นพวกโทสะจริตโมหจริตวิตตกจริตศรัท ธ, ธาจริตและ พุทธิจ like ิตแสดงว่าราคะจริตแบบบรรลุเร็วบรรลุปานกลางแล้วก็บรรลุช้าเนี่ยนะพวกโทสะจริตบรรลุเร็วบรรลุปานกลางและบรรลุช้าโมหะจิตแบบบรรลุเร็วบรรลุปานกลางแล้วก็บรรลุช้าวิตกจริตบรรลุเร็วบรรลุปานกลางวิตบรรลุช้าพวกศรัทธาจริตและพุทธิจิตก็ในยะเดียวกันและบุคคลเหล่านี้บางพวกบรรลุด้วยสุขาปฏิปทา ขีดป่าพิญยาเขาเรียกว่าปฏิบัติสบายบรรลุง่ายบางพวกปฏิบัติสบายแต่บรรลุช้าบางพวกปฏิบัติลําบากบรรลุเร็วบางพวกปฏิบัติลําบากบรรลุช้าแล้วก็มาแบ่งอย่างว่ากลุ่มเรานั้นอ่ะสังสมพร ะ, ะเขาต้องบรรลุเพราะธรรมเทศนาหมวดใดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสํารวจเขาเรียกว่าตรวจเสร็จแล้วนะจึงค่อยรับปากกับพรหมรับปากว่าเราเปิดประตูอมะตะคือเปิดอริยมรรคสอนอริยสัจ เพื่อให้ตรัสรูพ้พระนิพพานแล้วขอผู้มีหูหรือผู้มีหูจงตั้งใจฟังปล่อยศรัทธาเอามารับคำสอนให้เต็มที่เถิดเราสำคัญว่าลำบากก็เลยไม่กล่าวธรรมที่ประนีตจริงๆแล้วเราก็คล่องแคล่วในธรรมนั้นเนี่ยนะคือธรรมะคือมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยถ้าไม่มีคำบอกสอนจะปฏิบัติและเจริญได้ไหมเป็นไปได้ไหมบอกยากเนยนะเพราะฉะนั้น คุณธรรมทั้งหลายก็คือสภาวธรรมมรรคอริยมรรคทั้งหลายก็เป็นสภาวธรรมที่เป็นกุศลพระนิพพานกเนาเนทท็เป็นสภาวธรรมที่เป็นธรรมที่ดับวตตะเป็นสภาวธรรมที่สงบแล้วก็ประณีตถ้าไม่อาศัยสวากขาตธรรมคำสอนที่บอกไว้ดีแนะนําไวด้ดีสอนไว้อย่างถูกต้องเนี่ยจะบรรลุสภาวธรรมแทงตลอดโล ก, กุตระธรรมเป็นต้นเหล่านั้นได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมี สวาขาโตภคะวาตาธโมเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีคำสอนใครนะจะรู้จากข้อปฏิบัตินันพระนิพพานมีอยู่ทางไปสู่พระนิพพานก็มีอยู่ถ้าไม่มีคนชี้เนี่ยนะไม่มีป้ายเป็นต้นบอกจะรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะจะรู้ได้อย่างไรเพราะจะต้องอาศัยคำบอกคำเนะนซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในมรคคืออารยมรคที่เป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุ พระนิพพานและก็สอนบอกแสดงแต่งตั้งบัญยัติเปิดเผยให้บุคคลทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อตรัสรูม้มรรคผลนิพพานเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์รับอาราธนาแล้วเนี่ยนะพรมก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าประทานโอกาสเพื่อแสดงธรรมแปลว่ารับปากรับคำว่าจะแสดงธรรมก็ถวายอภิวาสกรธรรมประทักษิณแล้วก็อันตรธานไปเนี่ยนะ มันก็จากพระธรรมที่ได้กล่าวมานเนี่ยนะพรหมทั้งหลายอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ประกาศธรรมใดขอให้เราทั้งหลายมีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมนั้นพระพุทธเจ้าสั่งสอนธรรมใดที่ตรัสรู้แล้วพ้นจากทุกทั้งปวงขอขอให้เราได้มีโอกาสตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยการทุกท่านอนุโมทนาชาวนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้